ปฐมนิเทศเสขะปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่8มกราคมปีพศ2547ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยตอนแรกว่าโรคภัยข้าเจ็บ พัฒนาไม่ไม่เกิดโรไคไข้เจ็ า, ค, า, ค, าคนหลายเหมือนคนนัานตายที่เกิด population มากเลมาพัฒนาต่อก็มามาทำลายสภาพแวดลอ้อมเกิดปัญหา repletion ทรัพยากรอรอรอหลอย่างนั้น pollution อากาศเป็นพิษมลพิษมีไ ป, ไ ป, ไปทั่วไปในโลก นี่เกิดมาตรการประพฤติปฏิบัติของคนของมนุษย์ที่ขาเสียงขาดทำและจะทํำยังไงต่อไปเขาก็เลยบอกว่ามาต้องมาพัฒนาการใหม่แสดงว่าพัฒนาเนี่ยมันผิดมันผิดเรียว่ามิจฉาพัฒนาไม่ใช่สัมมาพัฒนาเขาเรียกว่าเฟนิลโลเปนถ้าภาษาบาลี จ, จะเรียกว่ามิจฉาพัฒนาทีานี้เขามาคิดว่าต้องมาพัฒนาใหม่พัฒน า, นาอย่างไง 2,526 ที่ผ่านมาองค์การสาหประชาชาติตั้งคณะกรรมการโลกเพื่อการพัฒนาและสิ่งแรดลอมขึ้นคณะหนึ่งมีชื่อว่า The World Commission for Development and on Environment Development Council คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาโลกและสิ่งแรดลอมของโลก เรจะพัฒนาจากอะไรเมือนี้พัฒนามือนี้มาวิเคราะห์หรือเป่าเอ้ยมันเกิดปัญหาอย่างนี้คนกินมากคนมีมากเท่าไรมากเพราะคนมันมากก็เลยเกิดลักษณะคอนซูมเมอร์โซซตีบริโภคมากพัฒนามากอะไรบริโภคมากกินมากกินน้ํามันกินแก๊สกินทรัพยากรธรรมชาติมากจะต้องมาพัฒนาใหม่พัฒนาอย่างไงเพาว่าต้องซัพเทิลบ์เบิร์นดีเวล็อต์้องพัฒนาให้ยั่งยืนไม่ตะพัฒนาจากเก่า ก็จบไปพอปี2529อีกหน่วยงานหนึ่งไม่ไว้วางใจของเบิร์กคอมมิชชั่นตนนัวนี้ไม่ไว้วางใจคณะกรรมาการโลกคณะ น, นี้มันไม่ชัดเจนชี้ปัญหาแต่ไม่ชี้ทางออกหน่วยนี้คือหน่วยยูเนสโกยูเนสโกช่างงานว่าด้วยการศึกษาพัฒนธรรม และจริยทํามเป็นอไรวิทยาศาสตร์ของโลกตัวนี้ก็มาพิจารณาเหมาืนว่าเอ๊แต่พิฒพฒพฒพัฒนาอย่างไงแต่พัฒนาอย่างไรไอขององค์การนี้มันบอกว่าต้องพัฒนาจย่างแงยังยืนจะต้องยันยิงอย่างไรตัวนี้ตัวนี้เขาถ่ายในสุดท้ายเนี่อยูย่รสโกเนี่ยออกมอพิจารณาได้ปีเดียกปีสามทิพประกาศตู้มาว่าต้องพัฒนาใหมา่ต้องเอาสินทํากันมา ต้องเอาศาสนาขึ้นมาเขาเรียกว่า the verdict for hand u development ทัศวัตรเพื่อการพัฒนาพัฒนธรรมของโลกไปนู่นเอาแล้วตัวนี้ก็มาหาศาสนาคำว่าถึงเวลาแล้วจะต้อง back to basic return to basic จะต้องกลับคืนสู่พื้นฐานจะต้องกลับคืนสู่ศาสนาสู่ศีลสู่ธรรมอย่างพวกเราในพวกนักศึกษาในนี้เรียนอยูใ่ในห้องเรียน อยู่ในห้องในอาคารของมหาวิทยาลัยแต่วันนี้ต้องแบกทูเบสิกคืนสู่พื้นฐานーーนี่เทินทูเบสิกกับคืนสู่พื้นฐานการศึกษาแบบเดิมๆผูกที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นพวกศึกษาดั้งเดิมนั่งอยู่ในป่าในโคนไม้นั้นดั้งเดิมนะพวก้ั้นเรียนอยู่ในห้องเรียนในอาคารตอนนี้กำลังแทนเทินแบกจึงบูรณาการเพราะอะไร เวลาเราบวชปับ๊บอุปชายจะบวชบอกทันทีเลยมาตรฐานของการดำเนินชีวิตของพระบอกปับ๊บว่าลูกขมูลาเสนาสนังปปจนทร์ชัยยะตถาเตจาวชีวงังโอสาห ง, งกระนิยโยไปว่าบัดนี้คุณบวชแล้วนะที่อยู่ของคุณอย่างมาตรฐานที่สุดนะคนไม้น่นในป่านู้นลูกขมูลาเสนาสนนั่งนอนอยู่ในคนไม้นะ ป้พชังนิสยยการบวชต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ตาเจยาวัชีวงอุษาของกาลนิยอุษาไมยาในงมีห้องมึงะตายพื่อเดับอุษาของกาลนยโยาวัชีวังจนถึงวันตายแล้วก็อามาพันเตจะเพื่าจะไหนก็อามาพนเตกแล้วแต่ก็บ่กไปอยู่ไจักเถิดมันช่วงนี้อยู่ไปในนีผู้ศึกษาดั่งเดิมอันนี้ผู้ศึกษาแบกจัตั้งคืนคนนี้คืนแบกเทินแบกทวีสิทธิเทินทวีสิทขึ้นมาแล้ว ก็เลยม่พูดรื่องการไอ้ตัวองค์การยูเนสโกบอกว่าจะต้องพัฒนาเชิงวัฒนธรรมเอาศาสนาวัฒนธรรมกลับมาเพราะวัฒนธรรมเป็นผลิตผลของศาสนาแต่ก่อนเราพัฒนาแต่ทางเทคโนโลยีมันเป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์เอาทาวัตถุไปไม่ไหวต้อวัฒนธรรมกลับมาเมื่ออาวัฒนธรรมกลับมาจะวัฒนธรรมอะไรในเมืองฝรั่ง ไม่ยอมรับศาสนาดั้งเดิมโดยเฉพาะศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมเด็กลุ่มใหม่มันจะเริมมยนทำวิทยาศาสตร์มันไม่ยอมรั บ, รบพระผู้เจ้าในคมัมพี่์เวอร์เวนบอกว่า we are Sanskrit we a e e d to g e t e e we must be to to l e a r a e l s t o r w i h our to to e a r n from our O O โอ้ยห้องนีได้ป่ะครับเราไปบูตรของพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามา เราจะต้องเป็นไปนตามาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจา้าพี e p e นออนเดอะเพอร์เฟคของก็อแต่เด็กรุ่นใหม่มันบอกว่า not necessary to have any religion ไม่จะเป็นต้องมีสนศาสนาใด้ไีอารสเตนออฟวันเลเรายืนอยู่บนขาของหรกพระเจ้ามาได้อุ้มมผยือยู่อุ้มพระเจ้ า, ออาจดอเขาไม่ยอมรับก็เลยมาคิดว่าบ้านเมืองต่อไปถ้าขาดศาสนาขาดัฒนธรรมขาดสิ่งทำเข้นมาจะอยู่กันอย่างไร นักการศึกษานักสังคมวิทยาก็เลยมาคิดต้องให้เด็กเรียนเรื่องศาสนาเรียกร้องให้รัฐกัดการศาสนาใหม่จัดการศึกษาใหม่ให้เด็กได้เรียนเรื่องศาสนาแผนเกเทโอโลยีสกุลดิวิเนตี้สกุลให้มีแต่เรียนตั้งแต่คอนเดทเรียนตัแต่มหาวิทยาลัยก็ตาให้เรียนเรื่องศาสนาศาสนาใดก็ได้มันมันจะบอกให้เลืเอกเองทําไม่เรียนไม่ได้แต่ต้องเรียน แต่จะอาศาสนาไหนก็ตามแต่เพื่อตอ้องการให้คนมีศาสนาให้เอาสิ่งทําเขากันมาปรากฏฝ่าเด็กรุ่นให ม, ม่สนใจเรียนพุทธศาสนามากพุทธศาสนาเข้าไปได้รับเป็นโมเดิร์นอาร์ตเป็นศิลปะใหม่เด็กสนใจมากผมไปเดินอยู่ทงๆอยู่ที่โอริโรดได้กินเขาย้อนวันหนึงจะไปเด็กหนุ่ฝรั่งเขาไปสั่อไปกินเขาก่อนซื้อเรามันว่าจะกินทีมันว่า นคนธรวมบ่าวท้าวเขาไปก็ได้กินยอมมันก่อนทา้าว่าเจเลยจึงสนใจเขาบอกว่าได้เรียนได้เรียนพุทธศาสนาในในโรงเรียนเห็นในรูปพระวันนี้เห็นตัวจริงของพระได้ไปซื้อเครื่องดื่มมาให้เราดื่มสามคนก็ดีนะเด็กสนใจไม่ได้สนใจธรรมดานะสงใจอย่างพวกเรานพวกเรานี้นยังสนใจต่างา้อยสนใจการไปเจริญสมาธิภาวนาเขามีชมลงฝึก ม e d i t ท t i นเซ e นเตอร์ Center, มีศูนย์ฝึกสมาธิเปิดอบรมแต่ต้องจ้างนะไม่เหมือนพวกเรานะใครมีเงินก็ไปจ้างเรียนเรียนสมาธิเด็กนักเรียนก็ไปจ้างมีคอร์สในนี้คอร์สหนึ่งภาก็ปตั้เจ็ดแปดหมื่นแล้วสี่สิห้าวันเดือนเครื่องเรียนจบ จ, บจบหรือไม่จบก็ดรียคอร เ, เอาเงินมาม่เหมือนพวกเราไม่มีใครจ้างมนะมีแต่เนียกิริาี้แต่วันนี้เงี่มปอนท่าน่ะฮาวาบบยากสนใจก็จะเอา สนแต่ ม, มว่าผมฟังเดี๋ยวนี้ถ้าไปเปิดเปิดโอเพนินลิติวิเดเซชันดีวีโลเปิดการเจริญสมาธิภาวนาอกลมให้มาจองกับลูกมาบุกลูกมาเต็มไปหมดเลยวันนั้นผมไปเปิดอยู่ที่วอชิงตันดีซีซีซิเวอร์สปริงเมลลิงแลนรับสามรับสามร้อยมาเป็นพันรับไม่ได้ก็เราหัวฟัดหัวออดฟัง นี่คือประ ก, การใหม่ที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนาในโลกนี้และยังไม่พอนะเมื่อเขาสนใจศาสนามา ก, กเขาฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิมากคือเด็กเด็กไปติดสมาธิแต่ก่อนเด็กฝลั่งจะติดยาเสติมากในนี้จะติตสมาธิมากกว่าก็เลยทําให้ผู้ใหญ่สนใจผู้ใหญ่เลยแฝงตัวไปรองทาตัวเป็นฤาษีแตถาไปเข้าคอร์ดไปกางก็ไปฝึกกับเขา ฟุ้งไปฟุงมามันดี ม, นมีความสุขเพราะสมาธิมันจะมีความสมุขมากเมื่อออกมาจากคอแล้วเขา้ อ, อก็มาเขียนหนังสือเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องท o u c h ทาน permission ขั้ น, นจริง institution ถึงเวลาที่เราจะต้องแปรลรูปธารมวัฒนธรรมในในสังคมนี้จะเอาอย่างเก่าไม่ได้แล้วต้องอย่างใหม่เข้ามาด้วยแต่ไม่กล้าประกาศว่าจะต้องเอาพุทธศาสนาเข้ามาคนหัวเก่า เขาไม่เอาด้วยพวกสัิม์ฝังหเพอไอเดฟิกเขาโกรธเขาคัดข้านในที่สุดพวกปัญญาชนมองเห็นประโยชน์จากพุทธศาสนาถ้าจะดันเอาเข้ามาอะไรก็จะเกิดปัญหากับคนแก่คนเท่ารุ่นเก่าเขาก็เลยร่วมมือกันทั้งยูเนสโกและัางประชาธรประกาศตู้ออกมาวันวิสาขาบูชาเป็นวันสังคัญของโลกเคยได้ยินไหม ปีนี้จะมีหนังสือจากพระผู้เฒ่าผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองส่งมาตามวัดปาอารามต่างๆให้ประชาชนให้พระสง์จัดงานบวชวิสาขาระชาแต่ก่อนทำไมไม่บอกนี่คือถูกกดดันจากฝรั่งจากโกรคตะวันตกฝรั่งเขาคล้ายๆว่าอยากจะเอาพุทธศาสนาแต่ถ้าจะพูดไปตรงๆมันจะมีปัญหากับคนคนรุ่นเก่าดังเดิมพวกไอเดียิกเขาเลย ร่วมกันประกาศว่าพุทธศาสนาบันลุนบรรพยาขาบุชาไปบันสักขอของโลกให้มองเห็นความสังของพุทธศาสนาแต่พวกเราก็เพิ่งจะมาเตือนตัวกัเพราะฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาจะต้องทำความเข้าใจให้มากอันนี้คือกระแสก่อนที่จะมาถึงบุรณากาับพราขอใช้เวลาหมดไปแล้วขออีกสอนาทีเมื่อทางสาระชาชาติ ตังคณะกรรมาการว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมของโลกขึ้นมาหน่วยนี้ก็สรุกว่าจะต้องพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะคนมากทรัพยากรร้อยหรอของดีเอามากินของเก่ามาถ่ายเทสโลกจะต้องพัฒนาใหม่พัฒนาแบบยั่งยืนค่ะ ว, ว, ว่าเ u s t a i n a b l e d e v e l o p m แต่ต่อมาองค์การยูเนสโกเห็นว่า มันชี้ต่แต่ปัญหาแต่มันไม่มชี้ทางบอกทางออกแล้วมันมองว่าสรุปว่าจะต้องพัฒนาให้ยังง่ยงยืนนะแต่ยังง่ยงยืนอย่งไรมันก็เลยมาคิดใหม่มโอกาสทางประชาเมื่อโอกาสายูเนสโกพิจารณาใหม่ก็ได้เห็นว่าต้องเอาวัฒน์ต้องเอาวัฒนธรรมเอาศาสนาขึ้นมาต้องแบททูเวส์รีเทิร์นทูเวสในที่สุดการพัฒนาสองกระแสนีน้ก็ขาดกันเกิดขาดกันขางอืนก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง เอมันต้องเอามารวมกันทั้งสองเขาเรียกว่า integration development De development but without integration พัฒนาแต่มันขาดการบูรณาการ integration น่ะไปว่าบูรณาการบูรณาการไปว่าทำมันสมบูรณ์ทำมันเต็มทั้งสองคือเอาทั้งสองอันนี้มารวมกันทั้ง sustainable development และ ในเขค่ายเรมันปมเอามารวมกันทั้งสอ ง, องกระแสามารวมกันมัาลงอะไรว่า i n t e g o n ปเป็นพัฒนาแบบบรุรณาการนีนี้เขาม่อะไรอะไรอะไรเข า, า, าเอาเอเอเต่แบบบรณาการ a l l i e i n e r a t i o n กระแสต่กรรมแบบยั่งยืน i n t e g r a t แบบบุรณาการ การอิเทชันโซเชียลอิเทชันสังคมแบบแจ้งเงินนี well. ่จะแจ้งเงินมันผลิตจากการอินเทกรชันการเมืองแบบแจ่งยืนการเมืองแบบบูรณาการแต่ถ้าบูรณาการมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงบ้านเราพอถึงรัฐบาลใหม่เราก็บอกว่าจะต้องบูรณาการทําอะไรมันไปบูรณาการคิดไปทําไหมแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่คิดใหม่ทําใหม่ดอก คิดใหม่ทำแบบเก่าๆนั่นแหละเบพระพุทธเจ้าท่านบอกมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาบูรณาการกันนะเสกขปิปทาทั้งนักศึกษาระบบจัดตั้งและระบบตั้งเดิมเขาจะบอกให้ทราบไว้ก่อนว่าพวกนี้ชาถ้าเป็นนักปฏิวัตินะเป็นกระบทนะับทรอยต่ตอกิเลสนะไม่ต้องเชื่อฟังมัน ตีหนึ่งสี่สิบห้าระฆังสัญญาณปุกให้เราตื่นเราได้ยินเสียงระคําสาธูยกเมืองใส่เก้าเท้าเสงี่วดีเถอนอนนเราเราอยกระสางพุกให้ตื่นมาลุกทั้งครูพี่น้ออยู่วัดผุ่มพ่มปกวันนี้เด้อเเด้อจะเวลาบันีตายยังนอนตื่นเด้อตืนเถะนอบากินหัวดิไต้ยินเสียงระฆังแล้วก็ตื่นมาล้ำหน้าล้ำตาทำสรีลักเกตของเราตีสอง มารวมกันที่นี่แล้วก็ต้องจดจาด้วยที่อยู่ที่นั่งของใครของมันอยู่ตรงไหนอย่าให้มันเกิดสับสนเรานั่งอยู่ที่ตรงไห น, นก็นั่งตรงนั้นเวลาเรามาค่อยเคลื่อนค่อยไหวค่อยไปค่อยมาค่อยผู้ค่อยจานนะอย่าให้มันเกิดเสียงดังเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อเพื่อนที่มานั่งสมาธิก่อนบุคคลที่ฝึกสมาธิเบื้องต้นแ ร, แรกๆนี่ปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นที่เสียง ขุยเจ้าบวาปฐมสัจฐานะสาภิกเวสาาตังกตกาโหตายการเจริญฌานครั้งแรกเสียงนี่จะเป็นอันตรายเป็นฆาสเซกท่านใช้คำว่าขฆาศึกความจริงกันตา ก, กาเป็นไปว่าน้ำไปว่านา้ำน้ำที่เราเดินไปเหยียบท่านเท่าเดิมเดินไปเหยียบน้ำน้ำก็ต้องเป็นฆาสึกแกเราใช่ไหมไม่มีขวาสุ การฝึกสมาธิเบื้องต้นครั้งแรกๆจะมีอันตรายเป็นศัตรูของมันคือเสียงอาจจะต้อพยายามเก็บเสียงให้ามากอย่าให้มีเสียงดังจะรบ ก, กวนเพื่อนจะไอจะกามหาผ้ามาปิดไว้ก่อนเพื่อจะบรรเทาจากหนักเป็นเบากระหาวเอาผ้ามาปิดคาร์โบบิสมันเสียหอนได้บาปไหนโมนหาวด้บไป อ, อือบนบ่ อ้าโดยเจ้าของหาวเป็นฟูเรียมเวหาวเป็นยูดอลก็แย่มันหาวในเวลาจะเคลื่อนจะไหวก็ดูเคลื่อนดูผงอย่าส่งเสียงดังในตีสองเรามาพบกันทีน่นี่ถึงตีสามจะเราจะได้ปีเรียราพอ1หนึ่งชั่วโมงลุกยืนค่อยๆยืนไม่ต้องรีบรุกขึ้นมันนัด ก, กีฬานะค่อยๆยืนขึ้นาหายใจเข้ายาว สวนลงมาแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะเคลื่อนไหวมีสัมปชัญญะทีโตที่โตวาประชานติเธอยือนเธอก็ทราบชัดว่าเธอยือน่นีสซโนวานี่ซึนน่งนมเห็ประชานติเมื่อเธอนั่งเธอก็ทราบใช้ว่าเธอนั่งอันนี้สร้างสัมปชัญญะในอิิยาบถนึเราจะเคลื่อนแต่ไหวเวลายืนแล้ว จะคูจะเหยียดจะกม้มจะเงยจะเลี้ยวซ้ายแล้วขวาก็ได้นะมันจะยืนเสยๆยืนแล้วขยับเท้าขึ้นขยับเท้าลงสำ ม, มัญชิเตปัสสาลิเตสัมปชาณการิโหติเธอจะเคลื่อนจะไหวเธอจะก้าวไปข้างหน้าเธอจะถอยกลับเธอสร้างสัพพัญญะควารู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชาณการิโหติเธอจะแลจะเลี้ยว ถ้าเขาสร้างควารู้สึกอย่ยางนั้นมันจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงสติสมาธิสติเหมือนน้องชายตัวนี้กๆสมบัติชิญยะเมือนพี่ชายเมือนพี่สาวเขาเลี้ยกน้องเขาตัวสติจะเป็นตัวควบคุมการทํางานของอจตนะตัวจิตจะเป็นตัวสั่งงานของอจตนะ ตัวเจตนนะาเป็นคนงานเป็นเลเบอร์เขาทํางานซื่อสัตย์ได้ยินสื่อเสียงดังขึ้นหูเขาได้ยินเริ่มตาขึ้นเขาเห็นว่ามือมาแจ้งเขาทํางานซื่อสัตย์แต่มันต้องมีนายคือใจใจนี้มันสั่งผิดสั่งถูกก็ได้ถ้า ม, มีคนคุมมันคนที่คุมคุมใจคุมงานนก็คือสติสตินี่เป็นโฟเมนและตัวตัวโฟเมนถ้าคุมคุมงานไม่ดีก็สเปคตะแปะต้องมีตัวตรวจงาน คาเรวอินสเปกเตอร์ผู้ตัวงามพูดนั้นคือสัมปชัญญะอาตาปีสติมาสัมปชานมวิเนยะโลกเกพิชาทวันัดสั่งเธอเป็นผูม้มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะโยกจึงถอนความสำคัญมั่นหมายความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้นี่มั น, ม, นมันแยกจากกันนะ จะต้องมีสัมปชัญญะต่หัวก็ต้องมีสัมปชัญญะคือรู้จะให้ลึกออกว่าไปอีกแม้จะกระพริบตาลองฝึกดูจะเห็นนั่งยืนนั่งหนึ่งผมอยากจะบอกท่านหลายอย่างหนึง่งเวลานั่งอย่าหลับตาไม่งายๆตื่นมาใหม่จะไปหลับตานะมันจะหลับไปท่านก็ไปช่วยมันแหะลืมตาไว้ลืมไปไหนมองเพ่งไปทีนน่นาจุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือไปไหมไปใดไปใดไปหนึ่งก็ได้ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ต้องกระพริบนะ มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกตาก็ต้องไปถ้าเห็นว่ามันต้องบปแล้วมันหนักมันหนักตรงหน้าผากหรือหนักตรงด้านแก้มบวกก็ขยัาเข้ามาถ้ามันใกล้หรือว่ามันหนักก็ขยับออกไปให้มันไกลจุดที่เรามองปอบเอามันจะเบาเบาเบาเบาถ้าเขามาใกล้จัดมันจะหนักมันจะเก่งมันจะร้อนมันจะปวดหัวเรื่องปวดหัวจะต้องคู่กันอีกคู่หนึ่งปวดหัวนะมาหาหมื่อไหร่ทำมันเป็นแต่ปวดหัวไปหาหมอไมนรู้เรื่องดอกผมนี่แหละจะรู้เรื่องจะบอกให้ ต่อเพ่งทำไมเป็นไม่ใช่เพรามันเป็นมวยถ้าลืมตาไม่ต้องหลับมีสติดูในลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราจะพิภตตามีสติในตาสัมปชัญญะในต า, ย า, ยนตาถ้าจะเห็นว่าที่มันเกิดพิิตตามันเกิดพิเพราะอะไรมันทุกข์ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกขเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปน้อยจากทุกข์หามีอะไรบ้างที่มันกิดพิิตตาไปแปลกนะมันทุกข์นะมันแสบมันบาดทรวทุกข์ ที่เราเคลื่อนเรไหวหนึ่งก็ข้อเราทุกเราจริงจริงปฏิบัติทํำ เ, เพื่อให้เห็นทุก น, นี่คือวิธีหนึ่งเมื่อเดินเข้ามาแล้วได้ที่นั่งก่อนั่งนั่งดีๆก็มองไปข้างหน้าสักจุดใดจุดหนึ่งอย่าเพิ่งไปหลับตาเลยถ้าหลับตาเลยจะหลับไปมันจะไปช่วยให้หลับต้องไปจุดใดจุดหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเมื่อเจอกับพิษตาจนกว่าจะทนไม่ได้เจอกับพิษรู้สึกตัว อุมิเลตวาวาอุมิเลยยะปะชานิติเธอจะกรพิบตาลืมตาหลับตาเธอก็สร้างสัมรันธ์ยะอย่างนั้นมาละเอียดนะครับมาละเยละเอียดในเรื่องไหนถ้าจะเอาให้ละเอียดก็ละเอะอันนี้เ ป, นเป็นภาคของมหาติีประธานด้านสัมชันธ์ยะบพะในกิานุปัสนาเมื่อถึงตีสี เราจะเดิลุกขึ้นอีกีนครั้งที่สองเปลี่ยนไปอายาวจังนั่งไปห้องน้ำห้องท่าไปลิลิสนีเ่เยอะปลดปล่อยความทุกข์ตามธรรมชาติและได้ยินเสียงเสียงคลองเรามาลงมาอีกตอนนี้เราจะได้ฟังเรื่องเทคนิคในวิชาการในการประพฤติปฏิบัติถ้าที่เวลาจะมีและสุขภาพจะอำนวยให้นี่คือคอร์ตอนเช้านะเมื่อฟังทำเจ็บจบ คาบรรายจบทั้งฟังภา พ, ภาพเท็กหนึ่งและ ว, วิชาการจบไปแล้วแล้วก็เตรียมภาชนะอาหารวินดาญาโลปโภชนังอภิชังนิงสายจะปฏิเต ย, ยาวชีบังโองสาหงอ์กัลังโยบวบมาแล้วจะต้องอาศัยปีแข้งบินดะดาแปว่าบีแข้งปัญหากินระบินเบาทเตรียมอะจะมีรถมารับเรา เราจะได้เป็ี่ยนธ่าตัเป็นระเบียบนะครับเวลาเปี่ยนระ เ, ะรเปีเยดให้มันงามงามเยื่องสายย้า ย, ย, ายขวาจะขูจะเหยียดจะก้มจะเงยจะเคลื่อนจะไหวให้มันงามนุ่มนวลให้มองดูน้ํามันเหลวจากภาชนะที่เราเทไม่เหมือนน้าน้ํำมันกระเซ็นกระสายสินิทัทงเตระธาราวะเอาโห้สิอิริยาปฏโทกอิริยาบดเคลื่อนไหวละมุนละไม น่าเลื่อบใสเหมือนน้ำมันเลวไหลเอกจากปากพาชนะก็่อนเกิดความดีเลื่อบใสแก่ผู้ที่พบได้เห็นเราไปตอนเชา้าเราไปปรากฏตัวเอาธรรมะไปฝากประชาชนเอาความสงบไปฝากคนวุ่นวายเอาความผ่อนคลายไปฝากคนเครียดไปบีทบาสส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปบีทบาสถ้ารถเราไม่พอพาชนะเราไม่พอพาชนะเราไม่พอเราจะเดินโดยตรมรอบศัพท์เป็นหมู่ อย่าโยกมาเดินด้วยเดินจนจนเดินขบวิทยาบากมาไม่เอาเปรียบกันเด้นประโยชน์ด้วยกันแต่วันใหม่ต้องเปลี่ยนชุดชุดไหนไม่ได้ไปก็ไปชุดไหนเคยไปแล้วก็าเดินจนจนองดอเมื่อเพื่อนมาแล้วจริงเลิกไปอาบน้ําใหม่ก็ได้หรือไปทำสรีรักิตอย่างอื่นก็ได้รอไปฟังสัญญาณระครังเพื่อจะมารวมกันฉันที่นี่แหละหลังจะฉันเสร็ ก็ต้องอิ่มห้องกันนะใครอิ่มกาวก็ต้องรอจงไม่ไม่เช่อตัวอื่นแล้วรู้ไปเลยต้องมีระเบียบมีละฆังน้อยคอยตีป้องเอ้าอิ่มแล้วมองดูกันพร้องเลยตีละครังมองเป็นกาผ้าหอมเงาเงากาทําไมพุทธเทธรรมจะสังเคจติพาสคารวาเขารบอย่างยิ่งในพุธจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ข้าวไม่ถผักเส้นเดียวที่โยมาถวายมาจาก คุธานุภาพธรรานุภาพสังขานุภาพพระัตนาตายก่อนอาจจะต้องรู้เลึกถึงคุณค่ามนึ่งียว่าคุทเททำเมจสังเคจติภาค า, า, ารวะเคารพอย่างแรงกล้ารู้จากคุณค่าอย่างสูงสุดในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประจงก่อนที่เราจะไปตากอาหารเรากกากพระพุทธเจ้าก่อนเราเราไปกินมารดกขัานเรียกว่ายัตทชะ ปริพุนเชตบริพโภคยางยางผู้รับมรดกกลา่าวพระพุทธเจ้าอย่างดีกราบพระอาจารย์ตายอย่างดีแล้วก็บริเลี่ยงรายกันไปต่างอาหารเวลาฉันเมื่อได้ได้ยินเสียงระคังฉันแล้วก็ฉันพร้อมกันเมื่อเมื่ออิ่มหมวัวแน่ใจต้นระคังปั้งแล้วเราก็ลุก ข, ขึ้นกราบพร้อมกันกราบ ง, งามๆนะครับพร้อมกันให้งองงา ม, งามใครม่าเห็นหกือเปล่าเจริ่นทางจิตใจเรียกว่ามาโนภาวะนี้อย่างจิตตังพิฆูนังทัศนายะ ได้เห็พระผู้ศักอย่างใจนี้ให้เจริญเป็นแต่อ่อนซอนพระตาลาว่าเห็นเลยอ่อนซ่อนนะนะพระตาบ า, าลีว่ามโนภาวานี้อยัางจิตตังอย่างใจนี้ให้เจริญเพื่อจะงออ ง, งเงาเงยขึ้นมาซึ่งเงาความดีคือบุญเมื่อใจเจริญคือคื อ, คอใจมันผ่องสายและบุญจะเกิดขึ้นอาจจะต้รับรับผิดชอบต่อจิตใจของญาติโยมด้วยเมื่อตีละครังกราบพระแล้วก็ถือบาตใคร่บาตรมาไปล้างเมื่อล้างเสร็จอย่าไปคุยกันนะ อบาบไปตาไปหาาหาร ห, หากรรมฐานยาวยืนในยืนในยืนในกฎให้พักขอดโน่นเราจะหลับหรืออะไรก็แล้วแต่จะอ่านหนังสือเล่นก็แล้วแต่หรือจะนั่งสมาี่ต่อก็ได้ตีบ่ายสองโมงรักขังร่างจิตร่างให้ไปอาบน้ําให้รู้ว่าต้องไปอาบน้ําเลยนะบ่ายสามโมงมาลงอาทิตนี้พวกนี้จะให้ท่าน ทางจะได้ส่ง ช, งชิดให้ส่งชิพให้จะได้รู้จักปะเวลาเท่าไหร่นี่คือคือระบบที่เราจะต้องเป็นเซคขับไปไปัญหารายละเอียดพวกนี้จะจะเพิ่มเติมวันนี้เห็นว่าเวลาสมควรสามสา ม, สามทุมครึ่งแล้วคงจะพอเข้าใจนะเช้าเย็นจะเ อ, อย่างนี้นเอาอี ก, ส, กสักหน่อยหนึ่งเวลานั่งสมาธิจะทำอะไร เ อ, เอาเอาพื้นฐานไว้ซะก่อนทําอะไรทําให้เป็นจะทําให้เก่งอาสาสักษาศีลก็รักษาศีลให้เป็นอย่ารักษาศีลเก่งทานก็ทานให้เป็นจะทานเก่งภาวนาก็ภาวนาให้เป็นจะภาวนาเก่งถ้าเป็นเป็น เ, นเรื่องของกุศลความฉลาดกุสโลกภะภาวะที่ฉลาดสมาธิของพวกเรา เราจะเลือกสรรเอาสิ่งที่มันไม่ไม่ยากและไม่งานมันพอดีคืออะไรเราจะเอาอะไรเป็นเป็นเครื่องมือฮอสปาธิสเป็นซักเก็ตเบนิเตชันอ า, านาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดสารเสิ่นที่สุดแล้วยีด้วนและแนะนำทำสอนให้พวกเรากระทาอ า, านาปานสติยักสะกปริปุนนา ยะถาพุทเธนะเทศิตาโสอิมังโลกังปภาสสิติอภามุโตวัจติมาอาณาปานาสติอบุคคลเจริญให้มากกระทำ ม, มากแล้ว ผ, ผู้คนใดเจริญกระทำ ม, มากโดยลําดับอนุปุพัง u ปลิจิตายาถาพุทเธนะเสนะเทศิตาผู้ใดเจริญให้มากกระทำ ม, มากให้บริบูรณ์โดยลําดับดังที่พระุทธเจ้าสอนแล้วบุคคนนั้นจะอย่างโลกนี้สองสวัสด์ มูนพระจังโคจนออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นอนุปุพังปริจิตตาอบรมไปด้วยลำดับมันมีลำดับอยู่สิบหลำดับเดี๋วพนี้เราจะไล่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจดคกคก ข, ของเราเนะแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเราจะต้องรู้จักบริกันบริกรรมนะฟังให้ดีนักศึกษาทั้งหลาย สมาธิของเราต้องรู้จักบริกรรมสกักครัไอ้บอดิกามนี่มันไม่ได้แปลว่ามันนั่งพูดนะไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาพูดนะปาริระวังหลวงพ่อพูดเก่งสัง่งแกมาแกอย่างแกงพู่มาปาริาาากรรมะแปลว่าการกระทเบื้องต้นชาว่าวันทีไม่ได้ไม่ใช่ว่านั่งหลับตาพูดไอ้โมงอย่างนี้นนปาริกรรมะ การทำเบื้องต้นเตรียมตัวภาษาฝรั่งเขาจะใช้คำว่า preparation first เตรียมตัวก่อน preparation นี่คือคือบริกรรมมันจะมีอยู่สามบริกรรมคือเตรียมสามประการหนึ่งเตรียมสถานที่เราพร้อมแล้วเราเตรียมแล้วพระสงฆ์ของเจ้าทั้งหลายได้จดหลาเตรียมไว้ให้เราเต็มทั้งฟังทั้งลายที่หลับที่นองที่นั่งพร้อมแล้ว ปาม้คนไม้พร้อมแล้วนี่คือตัวบริกรรมสถานที่พร้อมแล้วสองบริกรรมอินดยาบทเตรียมอินดยาบทอินิียาบทที่เหมาะเจาะที่เหมาะสมกับการเจริญสมาธิภาวนาคือการนั่งยืนเดินนอนแต่ไม่เหมาะถ้่ากับท่านั่งถ้าจะเลือกอท่านั่งไปท่าบริกรรมแรกนั่งยางไงอ๋อ ฟังให้ดีนะนั่งให้เป็นนะถ้านั่งไม่เป็นก็จะเป็นโรคนิสัยดวงได้ง่ายแล้วกรออกโรคโรคหมาโตเป็นโรคของพวกกรรมาฐานนั่งไม่ถูกสเปกทำยังไงนี่สีททิตินลังกังเอาโพชิตตวานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบไม่ต้องไปขัดสายขัดขวอดไม่ต้องไปขัดแตะมันหรอกนั่งคู่เข้ามา ซ้อนกันให้มันให้เลือดลมไหลเวียนได้แต่งสะดกสบายเมื่อนั่งคูขาเข้ขามาโดยรอบแล้วทําไงอุ้งุงกายอย่างวันนิทายอะฟังให้ดีนะตั้งกายตรงเซ็ตอยู่บริสอาไปไม่ใช่หลังคดกุงจุงคืตสิบอีงอนกุงจุงกาย อ, อ, อานนย่างได้จริงจิตววอย่างพเราได้ไหมบอกเป็นสมาธิแตไม่ได้หลับนไม่ได้เป็นสมางอดูดดลูกฟทดลูกนะ พุ่ยเจ้าสงสางสง่างาถ้านั่งสมาธิเวลาใดเป็นสง่าตตัวตรงตัวตรงตรงนึงๆไม่ทามันง่วงง่ายมันบวสบายไปเลยขัดตังองาหรับว่าเป็นงั้นไม่แห้งจะทำวิจะาสุขาวิหารตินั่งตรงงอหันจะโกงพอมมวยบุฟ่ก้ไล้หันจะดังเพราะว่าคือเรื่องสิสิเกตบริโก้หรอกหันจะดังาะ าปาริมุขขังสัตย์ิงอุบัติเหตาุาบะตั้งสติไว้เฉพาะหน้าปาริเฉพาะมุขขังหน้าตัวนี้เราจะบอกให้เทคหนึ่งอันหนึ่งถ้าเราตั้งสติไว้เฉพาะหน้ามันมีอยู่สอง ส, สองแบบนะมีสองนัยยะเฉพาะหน้าอันหนึ่งมีนัยยะเด็ก ค, คืออยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องห่วงหน้าก็ลงโวดหลังคิดอะไรก็รู้ว่ามันคิดหันจะเข้าหันใจออกอย่างนั้นแหละโสสตวะอสสติโสสตวะปัสสติมีสติอยู่หาจะเข้ามีสติอยู่หันใจออกส่วนผลิมุขังสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้าตั้งยังไงชั่ววารานั่งเราสร้างขอารู้สึกไว้เฉพาะหน้าถ้าหลับตาถ้าหลับตาสร้างเฉพาะหน้ามันมันจะเกิดแสงสว่าง จะเกิดความรู้สึกเหมือนแดกแดดออกหลังจากฝนตกใถ้ะจะเกิดแสงสว่างขึ้นสว่างขึ้นทีความรู้สึกมันจะพอนักอย่างนี้ไม่ง่วงถ้าทําเป็นถ้าทำไม่เป็นอย่าหลับตาอย่าหลับตาครูเจ้าไม่ได้บอกให้หลับตาดอกอาณาปณะสิบีนี้นะกายโยกิรมตินะจะขูนี้อนุปาฏฐานะกายไม่ลำ บ, บากตาไม่ลำ บ, บาก คือไม่ต้องไปไปหลับไม่ต้องไ ป, ไปลืมตรง น, นั้นมันสะดวกเอาเลยถ้าลืมตาไว้ก็มองไปข้างหน้าให้มันห่างสักสองสามเมตรจุดใดจุดหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามันหนักใ น, ใ น, ใ, นในระหว่างคิว้วในประสาทในหัวมันจะรอ้อนมันจะปวดก็ขยับกายออกไปไหน่อยปรับให้มันได้จุดพอดีมันมันจะไม่ตึงถ้าหลับตาสะดวกบางคน บางคนหลับตาดีกว่าลืมตาถ้าหลับตาแล้วดีแต่บางคนถ้าถ้าลืมตาดีกว่าหลับถ้าหลับตาเลยคิดมากบางคนคิดไปโน่นไปนั่นไปไหนก็ไปไปได้ถ้าลืมตาคิดไกลๆถ้าลืมตาคิดเท่าที่ตายเั็นแล้วก็เย็นด้วยถ้าลืมตาถ้าหลับตาบางคนร้อนนะอยู่ดีๆอากาศร้อนหน่อยถ้าหลับตาพิ่ไปร้อนไปอีกเฮืงอะไรเขาจด เพรมันมีที่ระบาดการลืมตาเมื่อระบายความร้อนอย่างในตัวถ้าลืมตาไปถ้ามันสงบมันมันจะเหลาขึ้นมาเอมองไปจุดใดจุดหนึ่งไม่ไมหลับดอกมองไปไกลๆก็ได้แต่ไม่มีจุดหมายหรือเปล่าอนิมิตตสมาธิสมาธิที่ไม่เอาอะไรไปเครื่องหมายลืมตาเห็นก็เห็นแตอไม่ได้ดูเข้าใจไหมเห็นกับดูข้างล่างกันนะเห็นเห็นทุกคนแต่ไม่ได้ดูดนนะทุกคน ไม่รู้ใครเป็นใครแต่เห้ลืมตาอยู่เฉยแต่เวลาจักระพิษตาต้องรู้ถ้าอย่างนี้เมื่อหลับง่ายสติก็จะตึงสมบูชินีก็ตึงก็จะเป๊ะทำอย่านี้อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งถ้าเราตาสะดวกบางคนลืมตาไป ไ, ปไม่ได้ก็หลับตาหลับแล้วสร้างความรู้สึกว่าเฉพาะหน้าสร้างขี้ขงบงมัมีวิธีเพ่งดูลมหายใจมีเอดสามะระดับ หนึ่งตามถ้าถ้ายังยังไม่เลยอย่าก่อนนับคานานับนับลมหาจะเ ข, ข้าก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบออกหนึ่งสองสามสี่หเจ็แปดเก้าสิบเข้าหนึ่งสองสามสี่้าเ็ปบางคนยังไม่ใช้ได้แต่อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เ็ยจะมีอีก พุทจะบวรจะมี อ, อีกอีกนะทีนี้ถ้าเราไม่นับว่าอย่างไงตามอนุพันธนาตามดูหาจะเข้ายามันจะเข้าไปถึงไหนอเวลามันออกก็าตาดูมันจะออกไปไหนออกที่รูจมูกสุดท้ายตรงไหนเวลามันเข้ามาเข้าไปสุดท้ายถึงไหนในนี้ตามอะไรว่าออนุพันธนาถ้าอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เด็กเด็กทำให้จิตใจกวาดแปลงกระวนกระวายเอาไหม พุทสนาเฝ้าดูจุดกระทบเมื่อเราเราควายเปลูกลูกหลานเราตอนมันยังไม่ไม่นอนหลับกวานไปก็มองตามกลัวมันจะดิ้นตกอูตะค้อหักตายตามไปมองมองตามแต่มันมันเลิมไม่ดิ้นแล้วมันไ ม, ไม่ต้องมองตามดูที่สายอูสายเดีก็พอสายเปสายเดีก็พอเฝ้าจ้องยที่มันเข้ามันออกที่รู้จมูก ดูที่นาสิกะเควาที่ปลายจมูกหรือว่ามุขะนิมิตวาที่ริมผีปากตำแหนนี้มุขะนิมิตวยานาสิกะเควาที่ปลายจมูกหรือว่านิมิตปลายแห่งปากคือริมผีปากนั้นมันกระทบกันตรงนี้ก็ต้องสติไว้ตรงนี้แล้วจะเห็นว่ามันเย็นเย็นเย็นเยถ้ามันเย็นข้าวเย็นเข้าวจ้องไป เมื่อจ้องนานๆเข้าความเย็นเย็นแผลขึ้นมาจะโมกมาดั่งขึ้นมาหัวหัวจะเริ่มไต่ไปไต่มาเมื่อมีตัวมีตนเมื่อมีแมลงตัวเล็กๆไต่ไต่ไปไต่มานี้จะเริ่มจะมีสมาธิขาิการเลยนะหลังจากนั้นถ้าเราหาใจยาวๆเราก็ตามอยู่อย Connie ่างงี tamam. ้ยาวเข้ายาวออกสักหน่ก like ็ปล e ่อยให้มัน right. สั้นน so, ่องใจปล่อยให้ม er ันสั้นเราจะเห็นมันดีมันดีดีๆแกะบาเมื่อเติมตัว มันดิ้นตามหลังตามเอวตามหัวตามคอตามไหล่ตามท้มองมันดิ้งไม่ใช่อะไรดอกลมนั่นแหละมันดิ้งมาถึงตัวนี้จะมี ม, มีมีเท็กหนึ่งนีหนึ่งที่จะดูมันทีนี้ถ้าเราตามยังไม่ชัดถ้าเราเฝ้าดูก็ยังไม่ถนัดถ้าจะให้เป็นสมาธิลึกนะฟังดีสมาธิลึกๆถ้ายังตามอยู่ ยังเฝ้าดูอยู่ก็ยังยังไม่สามารถจะเป็นสมาธิลึกๆได้ถ้าจะก้าวไปสู่สมาธิขั้นขั้นลึกซึ่งขึ้นมาต้องตั้งฟังถูกไหมถาปนาตั้งตั้งไว้ตั้งตรงไหนตรง ไ, ไหนก็ได้ที่เราเห็นที่เราเห็นชัก อ, อาจจะตั้งสติไว้บนหน้าผากบนหัวบนระหว่างคิว้วที่ไหนก็ได้ที่ที่ทห้ายท้ายก็ได้ ไม่มีที่ตั้งก็ตั้งไว้ม่ฟันนี้ก็ได้สองฟันข้างล่างข้างบนที่มันที่มันประกบกันเพ่งสถิไว้ตรงนี้ให้เข้าหัให้จะาอ่อยเห็นมันกาดกันป่ามันจะงับเขาเองตัวนี้ไม่งวงตัวนี้ไม่ง่วงมันมันมันมล่วงลงหมดอะไรที่มันแกิอาไรที่มันล่วงผู้มันมันคลายเป็นเย็ตั้งสติตไว้ในในฟันทั้งสองถ้าไม่มีที่ตั้ง